ธรรมบัญญายในพรรษาปีพุทธศักราช2546โดยหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณวัดป่าสุกโตอำเภอแก้งข้อจังหวัดชายภูมิวันที่9กันยายนสองพัขอเชิญทุกท่านฟังธรรมครับฟังธรรมกัน ตามการตามเวลาเป็นมงคลธรรมฉากัะฉาสนทนาธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นการแสดงธรรมเป็นการพบเห็นการได้ยินได้ฟังจากคำพูดของคนอื่นก็เป็นส่วนประกอบ แต่ว่าจะจะให้พบเห็นจริงๆคือไปปฏิบัติจเจริญสติย ก, กมือสร้างจังหวะเดินจงกรมจะได้เห็นอะไรต่างๆที่มันจะออกมาต่อหน้าต่อตาเราทางกายก็มีทางใจก็มีนอกจากกายนอกจากจิตใจก็มีภายนอกภายในเราเีสติเป็นดวงตาคอยดู คอยพบคอยเห็นไม่ใช่คิดเห็นถ้าผู้ปฏิบัติถ้าผู้ไม่ปฏิบัติก็เพียงไปคิดเห็นอะไรที่มันเกิดผิดเกิดถูกเป็นคำพูดที่เราพูดที่เราแสดงที่คนอื่นแสดงแล้วก็เกิดการพกเห็นเช่นการสาธยายทำในการสวด มนต์นวัดอธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็ยนโลกคือความชลาลำเข้าไม่ยั่งยืนมันก็เห็นเป็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนแต่วันเกิดต่อหน้าต่อตาเราอยู่ทุกข์ขณะจากผู้ปฏิบัติ เราไม่ให้ใครป้องกันได้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นใหญ่ได้ถ้า ใ, ใหญ่ก็ใหญ่เดือดเถื่อนถ้าใหญ่จริงๆไม่มีไม่มีใครป้องกันได้ค ว, ค, ไดวความเจ็บไข้ได้ป่วยความแฉะความชราไม่ให้ใครเป็นเจ้าของย่อมละทิ้งในสิ่งทั้งปวงไป จะอยู่ฐานะแบบไหนก็ตามต้องเดินเคียงบ่ากันไปในที่สุดพราชาก็ถอดมองกุฎประดับเพชรวางลงชาวนาขอทานก็วางกลามาผ้า ว, วางขาดวางไถลงไปด้วยกันสมานกันโลกผ ก, ก็คือเป็นทาตของความอยากไม่รู้จัอิม่มอันนั้โลกไม่รู้จัดอิม่ม เป็นธาตุของกิเลสตัณหาแล้วก็เบื่อพอเราเห็นที่มันเกิดขึ้นจากเราเกิดแก้วเกิดตีเราเห็นมันแล้วเราก็พัฒนาชีวิตของเราไปเรื่อยๆฐานะของเราก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเครียดเคียงกับโลกที่มันกําลังเป็นไป แต่ก่อนเรามีอาฐานะไม่เหมาะสมลองรับโลกไม่ได้วันนี้เรามีฐานะที่เหมาะสมรัลบรองโลกได้ยังไงเรามีฐานะการปฏิบัติเรามีฐานะความจริง อ, อยู่แต่ก่อนเราก็เป็นคราวาสครึ่งบาปครึ่งบุญใช่ไหมครึ่งบาปครึ่งบุญฆราวาสเป็นเพศฆราวาส ครึ่งบาปครึ่งบุญทำบาปโดยมารูสึกตัวเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นโดยไม่ลูสึกตัวแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องจําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นมันเกี่ยวข้องกับหลายๆลายอย่างต้องใช่นี่อันโน้นใช่นี่อันนี้อสิ่งที่เราไม่ควรที่จะแย่งก็เกิดการแย่งกันขึ้นมาเห็นชาวบ้านเข้าไปเจ็บเหต เราก็ไปเจริญเหตุกับเขาแทนที่เขาจะได้เราก็ไปแย่งกับเขาแต่บ้านเขาไปหา ป, หาปาลาไปรถไปเรือไปทํามาหากินอ้าเราก็ไปกับเขาเขาข้าเขาขายอะไรเราก็ไปกับเขาก็าเล ย, ยเรียนกันแต่ไม่รวยสุดต๊ะแล้ว่าเพศฆราวาสเป็นเพศที่ครึ่งบาปครึ่งบุญ จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเออเราก็เลือกได้มาเป็นเพศนักบวชอ้าวมันก็ไม่ค่อยเครื่องบาปเครื่องบุญเท่าไหร่เราโสโสเก้งโสตายโสจนยอมจนถือบาตราบินทบาทถือผาาวังสะกลยโคลไม่ฉันอย่ารองด้วยหน้ามมดเน่าเราโสโสเก่ง าวางโลเราก็เลื่อนฐานะเป็นอฐานะเป็นฐานะไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องทําเหมือนคนคนอื่นบางอย่างและเราก็มีระเบียบไปไหนเราก็มีระเบียบไปไหนคอยอเป็นหลักทําให้เราพึ่งเปต่อเป็นหลักมีวันโพรุกมี ศา ส, สดราของเราที่ทรงมัญนยตไว้เราก็เอาเข้าไปอยู่นำมาใช้เฮ้ก็คือวิเศษในยะที่นำไปนำไปสู่ความวิเศษได้ทรมาวิ น, นัยเรียบง่ายไปเรียบง่ายไปไม่จำเป็นแต่ก่อนก็จำเป็นจะเป็นบัดนี้พอเข้ามาอยู่ใน เพศบรรพยคิดเพศนักบวชมาอยู่ในธรรมะวิไหยแล้วก็ไม่จำเป็นจะเลีอยง่ายพวกเขาระดวโกเกลในการทำความดีไม่มีใครมาแบ่งนะไปคนเดียวไม่มีพ ร, พระลงพลังอะไ ร, ะ พ, ระพระลงพลังก็ไม่บาดมีกีรวนเหมือนนกบินไปอเฆราวาดมันบินไปยังไม่ได้ไม่ลูกไม่เมือยมีอะไรต่า ง, างๆเยอะ แนักบวชก็เป็นนกบินไปขว่านเราก็บินไปโน่นชนบริบบินกลับมาโดยรถคนตุ่มบินไปเห็นว่าอไปเห็นเขาก็โอ้น่ะดีพอไปถึงเขาก็นุ่งเขาห่มเขามาปฏิบัติมาสายตรงไม่ต้องมีวิธีกรรมอะไร ต้องมีพิธีกรรมไปทําบุญไปสวดตอนจนนี่ไม่หนิมาปฏิบัตินุเขาถือเขาเพียทํามัดเจ็นแสดงธรรมเอ็นจงกรมทำสมาธิเข้าถึงเข้าถึงตัวบุญเข้าถึงการละบาปเข้าถึงตัวพุทธเข้าถึงตัวธรรมะเข้าถึงตัวสังขะแต่เป็นการละก็ละ เป็นการสร้างก็สร้างทันทีไม่ว่าว่าสายตรงมันต้องมีพิธีทีตองอะไรทุกคนก็ตั้งใจมาปฏิบัติสถานที่โอ้ดีมากในโลกอาจะว่าแล้วนะเราสร้างร่อยล้านเป็นฐานที่ปฏิบัติทำเป็นร้อยล้านนะ นั่งแสดงครรมบนริมฝั่งทะเลลมพัดเย็นช่วยช่วยเดินจงกรมตนเช้าเอยู่ปลิมชายหาดมีที่เดินมีที่นั่งสบายสะดวกในการภาวนาเราก็อยู่ตรงนี้อากาศบนหลังเขา พอไม่แพ้อากาศบนชายหาดทะเลแต่ว่าชายหาดทะเลมันก็เหนียวเหนียวนะแม้นวอยเย็นมันก็เย็ยนแบบเหนียวเหนียวอากาศบนหลังเขาไม่เหนียวเกลี้ยงเก่าลึกรุ่นดิไม่เหนียวแล้เราก็พอมีที่อยู่อาศัยแม้นว่าไม่ได้สร้างเป็นร้อยล้านแต่เราก็พอเป็นที่อาศัย ปฏิบัติธรรมเือ <c oughs> นลุยที่โคลนบ้างไม่เป็นไรขึ้นสูงขึ้นต่ำบ้างไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งใจปฏิวัติธรรมไม้เราจะอยู่ที่ไหนสร้างมาแบบไหนก็ตามคือเจริญสติ <c oughs> จเจริญสติมันเลือ่อนเลื่อนฐานะจริงๆจากความหลงเป็นความไม่หลงได้ทันที ความโงห่หลงงมงายไม่โมง่หลงงมงายไม่คิดทิดนึกนึกวาดวโนภาพเข้าถึงเน่อถึงตัวเออเป็นบุญก็สัมผัสกับบุญใจมันดีกูเก่าฉลาดกูเกาานน่าเป็นกุศลันูคนเราพบเรบภูมกับสมัยก่อนสมัยก็ยังไม่ได้พบกับหลงพอเทียนโอ้ผลหัวลุ ก, กโง่ก็โง่หลงก็หลง โกรธโกรธทุกข์กทุกข์หลงในสุขหลงในทุกข์ไอ้ม้ออยู่ตรงนั้นพอมาปฏิบัติธรรมก็เลื่อนมาอันไรหลงเหมือนเมื่อก่อนมันก็เปลี่ยนอันใหม่เปลี่ยนอันเก่ามาเป็นอันใหม่อ ม, มันก็เปลี่ยนหน่ะมันก็มามาถึงตรง น, นี้มาถึงตรงนี้กับอยู่ที่นูน่นนะ ก็ไม่ใช่ที่ไหนมันก็คืออยู่ในกายในใจเราเนี่ยแหละตอนก็อยู่บ้านน้องแกอยู่กับครอบกับพวกกับลูกกับเมียกับเพื่อนบ้านกับความสุขกับความทุกข์กับความโลภความโกรธความหลงโดยไม่รู้สึกตัวอยู่กับความโงภหลงงมงายโดยไม่รู้สึกตัวพอมาเลือนหูเลืนตามาดูเตจอโอ้ ก็เลยว่าเราจึงมาเห็นตัวเองละอายละอายตัวเองกาเราต้องจําเป็นแล้วต้องมาดูตัวเองมาเจริญสติการกระทาอะไรก็ต้องเกิดปัญหามากการสร้างสติมันก็ต้องเกิดความหลง เกิดความทุกข์อะไรที่ไม่ใช่สติหันคนทํางานทําการการทํางานมันก็เกิดปัญหาธรรมดาเกิดความเหนื่อยความยากความลําบากใช่พลังหลายหายอย่างเพื่อให้งานสาเร็จวันทีก็โยงกัดเหลือโยงกัดวันทีก็เงยไหลไขย่อยบางทีก็ร้อนก็หนาววันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยวันทีก็ทุกข์ การทำงานเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรามุ่งในการทํางานยังยะมีผลงานถ้าทําลงไปอะไรมันมาที่ไม่ใช่งานก็เราทําให้เราเลิกลา ง, งานไปงานเราก็ไม่สําเร็จการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันในความผิดในความถูกมนความสุขในความทุกข์ในความหลง ที่ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างเช่นเราสร้างสติมันเอาความหลงมาแทนเราสร้างสติมันเอาความยากมาแทนมันเราสร้างสติมันเอาความทุกข์มาแทนอะไรต่างๆมาทับ่าถมไม่ให้เราทำงานแล้วก็เป็นอย่างนั้นจนเราจะทันนาว่ที่จะได้เม็ดข้าวมัใส่ยื่นใส่ฉางมันผ่านอะไรมา ผ่านความยากลำบากผ่านแล่นบ้อนผ่านหนาวผ่านอันตรายมาทีก็เหลือบจองลิ้นไล่งูก็มีสัตว์ไล่ก็มีอยู่ในน้าอยู่บนบกเจ็ดปวดก็มีห น, นาําท่มเท่าเท่มตีนป๋าเห็ดขาหักไยก็มีเกี่ยวกับอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเรื่องหนักเรื่องเ บ, งเบาคาดไถโอ้ยไม่ใช่ของหนัก หาบลาหาข้ า, าวก่ที่จะได้ข้ามาเหมือนกับลูกคาเม็ดข้าวทุกเม็ดที่นาสี่สิบห้าสิบไร่เนี่แต่ลอยเราเหยียบทุกตร ล, ลังนุ่งลำข้าวทุกลําเราได้จับเราได้ทําทุกอันเป็นหมื่นหมื่นล้านลาา้านเม็ดข้าวทุกเม็ดผ่านมือเราทั้งหมดผ่านนั่นเราจึงได้ข้าวมานะ ทำอะไรก็เหมือนกันเราจะพูดเรื่องยากเลยเราทำอะไรไม่ได้แล้วการปฏิบัติทำอะไรก็เหมือนกันผ่านทุกผ่านยากผ่านความลำบากท้ายยากก่อนที่จะพ้นทุกข์ก็เห็นทุกข์ก่อนจะพ้นสุข ก, ก็เห็นสุข ก่อนจะพ้นบุญก็เห็นบุญก่อนจะพ้นบาปก็เห็นบาปก่อนจะพ้นความหลงก็เห็นความหลงก่อนจะพ้นอยู่ความโกรธก็เห็นความโกรธมันมาให้เราเห็นอะไรความหลงผมหลงมาแบ บ, แบบแสดงความเป็นนิตดเราคนนี้แทรกซึมเข้ามา มือนพระพุทธเจ้าของเราปฏิบัติธรรมมานมาเสนอกิเลตมานขันธ์ธมานมัจจุมานเทวบุตรธมานเทวบุตรธมมานี่มาในฐานะเป็นมิตรนะโนนประสาทสามระดูศีรถ ะ, ะเอ้ยประสาทสามระดูมันนั่งอยู่นี่ทุกข์มามายงยงลื่นไหลเหลือบโยง ฝนตกก็เป e ียกแต่ตอก็ร้อนมีได้อันตรายเราดูฝนอยู่หลังหนึ่งเราดูร้อนอยู่หลังหนึ่งเราดูหนาวอยู่หลังหนึ่งสาวสนมกำนัลในสวยสวยไม่มีบุรุษเจียพนชั่คนเดียวเต็มาราห์หน้ารักพระราชทรัพย์สินเสดงคานยังผมดกผมดำยังนุมพระเจ้าจักรพรรดิยัง รออยู่เสนอเข้ามาทำไมวางสัมมาสัมโพธิญาณทำไมมั่นกงไปแล้วแล้วก็ได้จริงๆเราไปแล้วได้อยู่ในประสาทสามฤดูสาวสนมก็งแหวกล้อมทรัพย์สินสดึงคานก่อต้องการอะไรก็ได้แต่พระองค์มุ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อันยิ่งใหญ่อันสิ่งเหล่านั่นมันเป็นส่วนตัวสมมโสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันเป็นส่วนรวมนู่นนยลดละปฏิบัติธรรมโดยความต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะการนั่นนะไม่ใช่อ่อนแอนะการปฏิบัติธรรมนวะ ตงพอสมควรเราสู้กับมาได้สู้กับอะไรดอกมาได้ไปโลกสู้ลุกตกปืนกับอะไรเสียเลือดเสียเนือ้ออะไรดอกสู้กับตัวเราดีแหละ <c oughs> สู้กับความชิดความหลงความโกรธิีลันหาที่มันเกิดอยู่กับเราเนี่ยความเห็นแจ่ตัวความโง่หลงงลอยนิสัยจลีลดนิสัยอย่างไรมันจะแส ด, แดงมันจะดึงเรา ลาคาจลิตต้องก็จะดึงเราไปโทสาริต้องก็จะดึงเราไปโมหาจลิตต้องก็จะดึงเราไปอ่าเราก็สูว์กับตัวเรานี่แหละดึงหน้าดึงลังอยู่เล้วยมันเปิดเพื่อนอะไรมาสิบปียี่สิบปียังมาดึงเราอยู่ไม่ไปไปๆสู์โลกกับอะไรเราดูมันก็เห็นถึงแล้วนี่แหละ ชนะตนนี่แหละไมใช่ไปชนะคนอื่นหรอกอัตาหาเลียงิดตังเสรยอยู่ชนะตนนั่นแหละประเสริฐชนะตนเเป็นชนะอันยอดเยี่ยมชนะคนอื่นลอยอความันหุนไม่ประเสริฐไม่จริงปฏิบัติธรรมใมันมีคิดังเมคิดตังี้อ่ คิตั้งมือตัวนี้คือชนะตนชนะล้วลโว้ยชนละล้วโวยคนเราโวยคนเราโ ว, ย, โวยเลยคิดตังมืเพราะฉะนั้นเราจะใส่ใจมั่นคงคงเส้นคงวาในการปฏิบัติธรรมในการกระทา ตั้งไว้บนการกระทาตั้งไว้บนฐานมีการกระทาฐานไม่หามาตั้งไว้มีสติไป ต, ตั้งอยู่บนฐานกายการเืนเดินนั่งนอนสร้างจังหวะตั้งไว้ตรงนั้นมันหลุดไปก็เอามาตั้งไว้เหมือนเดิมนี่คือการ น, านของเรา มันหลุดไปแล้วไมมาตั้งไวเหมือนเดิมไมไม่ได้ทางานทาก็ฟรีพ อ, อนั่งสร้างเจ่หว่าลูกไปแล้วไปอยู่กับลูกกับล้านกับวานกับช่องอยู่กับความลากักความชังอยู่กับความผิดความถูกไปไมได้ตั้งเมื่อไม่ได้ตั้ ง, ม, ม, งมันก็ไม่มั่นเหมือนเราปลูกข้าวมันหลุดออกไปแต่เราปลูกข้าวในท่งนา แต่มันไม่น้ําขังน้ำมันก็ดูดต้นข้าวขึ้นมาลอยน้ําอยู่ต้นไหนที่มันลอยอยู่มันก็ไม่งอกไ้งามเรื้อนไม่จะจะตายเราต้องเอาไปปักหลงในดินมันจะเพียงจะออกรากจเขียวถอดอกิ่งถอดยอดขึ้นมาใหม่สีเขียวออกสร้างรังปลัวออกดอกออกผล กรรมฐานก็เหนกันต้องตั้งไว้แล้วมันก็มีที่ตั้งมันก็มีการกระทำอยู่ไม่ใช่เลื่อนลอยเป็นตัวเป็นตนอยู่ไม่วัตถุเห็นได้ด้วยมือเห็นได้ด้วยตาในเรามัหลงเราก็เห็นนี่นะมันไม่หลงเราก็เห็นเนี่ยแต่ว่าไม่หลงมันรู้อยู่ก็ทำไปทำไปอย่างนั้นแหละ จะไปเอาอะไรไปคิดถามโดดหนีจากความหลงก็โดดหนีจากความลู้ว่ า, ดด า, ว า, ม, วามันปกติอยู่แล้วยังไปหาเรื่องที่จะให้ไม่เกิดปกติเกิดขึ้นก็ไม่มันกันมีสิมอยู่แล้วยังหาเรื่องให้ผิดสิไม่ว่าหาเข่าใส่หัวตัวเองอยู่ดีๆก็ไปเอาไปคิดไปแล้วปรงไปแล้วก็อชอบกระดอนก็มี ทุก ส, สนก็ ต, ต้องตั้งไว้ตั้งไว้พีกายเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่นี่ตั้งไว้พิกายนี่เดินจกลมอยู่นี่ในสตีตั้งไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่นก็ชื่นี้ก็ชื่นี้แหละถ้ามันตั้งอยู่ตรงนี้มันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะนนเราปลูกข้าวมันปักอยู่ในดิน เราปลูกมะม่วงลำใหญ่ลิ่มกี่ปักอยู่บนดินแค่นี้หรือมันไม่ใช่แค่นั้นมันก็มีโอกาสงอกงาเราใส่ปุ๋ยรดน้ําการใส่ปุ๋ยรดนา้าคือขยันรู้ไว้บว่อยๆการปลูกต้นไม้ก็ดูแลใส่ปุ๋ยลดน้ำมันก็จเจริญไปจากตนน้นไม้ธรรมดากลายเป็นโรคมาไปลำใหญ่ลิ่มกี่ เอามากินได้ประโยชน์การสร้างสติก็แค่นี้แหละแค่ยกมือสร้างจังว่ามีสติอยู่นี่เดินจงกรมมีสติหายใจเข้าหายใจออกมีสติเท่านี้แหละมักผมก็เกิดอยู่ตรงนี้แหละตรงเล็กๆน้อยนี่แหละแต่มันยืนย่นใหญ่ฮะมันยืนย่นใหญ่ เหมือนเมล็ดแข่งโพธิของรู้สักตัวจะกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นฌานเรื่อยไปเราก็ทาหน้าที่อันนี้เวลาใดมันหลงก็กำมาให้เป็นกลับมาตั้งไว้ให้เป็นวหลงก็ไม่มากมันมาหลายคลิปหลายทาง ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเอาความหลงมาเป็นวัตถุให้เกิดความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเอามาเป็นความรู้มันหลงเอามาเป็นความรู้สึกตัวความหลงก็ได้บทเรียนให้เป็นความรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติเอามาใช้เป็นความรู้สึกตัวได้ทัง้งหมด มันจึงเป็นตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติคคอกฏิทำได้การงานอะไรที่คนให้เราทำมันต้องทำได้มันต้องทาได้เช่นเอารถไปซ่อมรถสันขาดคาเอาก็หาวิธีที่จะทำได้ทำได้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเป็นของที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา แต่รถโยนเครื่องบินเขายังทำได้นี่ไม่ใช่ปนนัญหามาอยู่กับตัวเราอ๋ออิเลสปัญ้าตันหาลอยแะมันก็ไม่ใหญ่แต่เราสู้กับมันไม่ได้มันมีจุดอ่อนจุดแข็งมันมีเครื่องทุ่นแรงที่ไปทำอันหนักให้มันเป็นเบาขึ้นมามันก็มีเครื่องมือธรรมะเป็นเครื่องมือ มีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีทานมีศีลมีขาวตาในแีไไ้ไปหมดเลยเราก็ต้องอเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติธรรมมันหลงหาวิธีที่จะลูกลูกวิธีนี้ไม่ได้ต้หาวิธีอื่นที่จะมาลูกเป็นนั่งอยู่มันง้วง หายบอดที่ดั้งอยู่มั น, นง่วงซึมมันไม่ได้หรืหาวิธีอื่นลุกขึ้นมันสร้างเจ้าว่าง่วงหาวิธีอื่นที่ไม่ต้องสร้างเจ้หว่ลุกขึ้นให้เกิดความรู้จากตัวทางอื่นเอามาทางอื่นเห็นหมอรักษาโลกคนกินข้าวไม่ได้เราก็เอาสายยางเข้าไปสอดถึงกับเพาะนนท์เขาก็มีอันบีบเข้าไป บีบเข้าไปให้มันไหลเข้าไปในกระเพาะคํานวณดูจนอิม่มตอนนั่นก็อิ่มได้โดยไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องเที่ยวก็วลิงกลาหานเที่ยวปืนทางปากก็ไปได้ทำอย่างนั้นก็ได้อิ่มได้โดยวิธีการต่างๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เอาการนั้นแหละ ไปได้ด้วยวิธีนี้เอาด้วยวิธีโน้นไปได้ด้วยมนก็เอาด้วยคนมาได้ด้วยคนก็เอาด้วยคาถาหมืนหนุ่มรักผู้หญิงสาวหาวิธีเอาจนได้เอาไปม า, าก็ได้จริงๆความเกลียดกันก็กลายเป็นความรักกันแต่ถ้าพยายามต่อให้เป็น ให้เห็นอกเห็นใจช่วยงานช่วยการขยันมันเพียนหลายหลายคนไปเป็นลูกจ้างก็ได้นายจ้างเป็น เ, นเนมียก็มีรับจ้างทํา ง, งานแบกไม้ทํางานในโรงไม้แบกไม้เป็นรถทั้งวันทั้งคืนขยันมันเพี้ยนานายจ้างเห็นโอ้คนนี้เป็นคนขยันเอามาเป็ น, นเสมียน ทำงานทําการเป็นคะแนนแล้วไม่เอาไม่พอทํางานดันดึนได้เอามาเป็นสาเหตุไปเลยขยันหมั่นเพียรมั่งมีศรีสุขได้เหมือนกันไม่ใช่เอาคำพูดอย่างเดียวต้องเอางานเอาการเพี้ยนเรามาปฏิบัติทำมางคนก็มีความรู้บางคนก็ไม่มีความรู้เอาความข ย, ยัน บางคนก็มีสมองมีปัญญาเลียวฉลาดบางคนก็ไม่มีสมองไม่มีปัญญาเอาความขยันมีทางอยู่หัวดีไม่สำคัญขยันน่ากลัวทำอะไรก็สำเร็จการปฏิบัติทำการอะไรก็ตามขยันคือความเพียรไม่ต้องมีเรื่องมีแรงอะไรเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่านี่แหละขยันโล้ ไปนอนลู่ไปนั่งลู่ไปยืนลู่ไปหายใจพิษตาตืนน้ำลายลู้สึกตัวไปลู้สึกตัวไปไม่ต้องมีเรื่องไม่แรงเดินสี่ชั่วโมงเหมือนคนหนุ่มก็ได้ฮะพระอรหันต์เนี่ยแก่ๆก็บรรลุธรรมเช่นสุภัทภปริภฟยชกเนี่ยเกตสิบแปดสิบปียังบรรลุธรรมได้ หนุ่มๆก็ยังไม่บรรลุธรรมก็มีเห็นเทวทัตเนี่ยเจ้าฟ้าชายตกนรกไปเลยลเทวทัตเนี่ยเรียนจก่งอ๋อดีจนพระเจ้าอาชาติสโตยอม ศรัทธาเพราะคนหัวดีแต่วันที่สุดไปไม่รอดเป็นเจ้าฟ้าชายมีปัญญาสู้สุภะปริพาชคไม่ได้ขอทานเป็นจันทา น, นเป็นสูตรต่ำต้อยแต่ได้บรรลุธรมรมล้วจะไปตีราคาตัวเองโอ้ยทำไม่ได้เหมือนเขาฉันไม่เหมือนเขา ผมไม่เหมือนท่านท่านเป็นดีอย่างนั้นเลยเนี่ยอย่าไปคิดแบบ น, นั้นถ้ายกมือสร้างจาิตวะรูปจึตตัวก็ใช่ได้แล้วมีสิทธิเท่ากันอความโลภความโกรธความหลงมันก็มาได้มีลัฐิมีกายสิทธิอะไ ร, ร, รไความโกรธอยู่ในคนหนุ่มก็มีมความโลภอยู่ในคนหนุ่มก็มีความหลงอยในคนหนุ่มก็มีความโลภอยในคนแก่คน เ, เท่า ควโลกอยู่ในพระในสงฆ์คนหนความโลกอยู่ในฆราวาสญาติาโยมก็มนเราก็ต้องมีเหมือนกันเราก็ทําตรงนี้เหมือนกันมีนสิทธิเท่ากันตัวปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องหน้าขยันเราก็ทําได้นี่นะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้อะมาเกิดจากตัวเราขอให้เราใส่ใจมีความเพียรอย่าทอดถอยอย่า เหมือนน่ายทอดทิ้งใส่ใจตรงไหนมันจุดอ่อนจุดแข็งจุดต อ, อนตรงไหนโอ้ความแข็งไปใส่มันหลงหอยู่ตรงไหนความรู้ไปใส่มันผิดอยตรงไหนทําให้มันถูกไม่ใช่ผิดจะวนทองคว้าป่าหิมาผ่านที่ไหนมันก็ผิดอยู่กับกายกับใจของเราเนี่ยเราก็เพลี่ยนมันตรงนี้แหละรู้สึกตัวรู้สึกตัวต่อจะเป็นสินก่ ขั้นมันออกมาถ้ามันปกติมันรุ่นวายทาไมมันปกติถ้ามันเลื่อนลอยไม่หนักแน่นเอาให้มันหนักใจให้มันหนักหนักสู้สักหน่อยอย่าหวั่นไหวง่ายความหลงมันเบาเอาควาหนักไปใส่มันปลิวไปง่ายเลยยินดีไปแล้วหรือยินหน่ายไปแล้วหรือหนักเอาไว้อย่าไปอยู่ตรงนี้กัน หายใจเงียบสองเงียบหมัดเท่าทนี้หาวิถีพมันตื้ไปแล้วความลัอกความชังอแล้วเกิดจิเลตตั้มหายแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรูสึกตัวเพิ่มความรู้สึกตัวก็หมดดับแน่นทันทีจิเลตก็ฟ อ, ฟอลงฟอลงหมดฆ่าทันทีตอ น, นันเกิดเลยกับเพ่งเรงค่อยตาม มันก็ได้กำลังได้โอกาสก็แสดงออกมาความหลงก็แสดงได้ทุกเวทีไม่มีอะไรของกันต้องออกขวงสักหน่อยเพราะฉนันเขาจะไปจับจองที่ดินอาอากาศเขาจับจองที่นี่จาก ทิศเหนือจากนี่ถึงนั่นจากทิศใต้ตาจากนนท์ถึงนั่นทิศ ต, ตะวันออกจากนั่นถึงนั่นทิศ ต, ตะวันตกจากนั่นถึงนั่นแต่คนที่มีเจ้าของก็แสดงออกว่าที่นี่มีคนจองแล้วถ้าไม่มีใครแสดงออกภายในหนึ่งเดือนสองเดือนเขาก็มีสิทธิจองได้ต้องแสดงความหลง เขาจะแส ด, แดงเป็นเจ้าของเราเราต้องแส ด, แดงความไม่หลงว่านี่เรากําลังทําอยู่เนี่แส ด, แดงออกในสิ่งที่มันควรแส ด, แดงการปฏิบัติธรรมไม่แส ด, แดงในสิ่งที่ไม่โอกาสแสดงมันก็ไม่ใช่รักปฏิบัติมันหลงต้องแสดงความรู้สตัวออกไปมันทุกข์องแสดงความไม่ทุกข์ออกไป มันโกรธต้องแสดงก็าไม่โกรธตออกไปมันเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราเดี๋ยวนี้เราต้องการสร้างสติตต้องการสร้างความรู้สึกตัวล้วก็สร้างความรู้สึกตัวไปแสดงกับทุกอย่างทุกอย่างยิ่งจะเป็นการทางานทำการยิ่งจะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการโต้ตอบทักท้วงตรวจสอบอะไรที่มันไม่ เกิดความเป็นธรรมต่อเราเราต้องทําอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะเงอไหลขย่อย่อย จ, จะยืนเดินนั่ ง, น, ง, น, งนอ น, นอยู่กันแหละอาศัยอริบททั้งสียืนเดินนั่งนอนเรื่องของกายเรื่องของใจก็ปกติช่วยกายกายช่วยใจใจช่วยกายให้เขาได้ช่วยกันอย่าแตกแยก ไว้ด้วยกันกายใจสติกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นสติอยู่นั่นหัดตรงนี้เพียนตรงนี้แล้วมันเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาที่ตรงนี้อยไ่ไปเลือกลองสิ่งอื่นภายนอกหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมเนี่ยที่แรกกับหลวงปู่เทียนเอาไว้เมื่อจะคิดไปทางนอก คนนั่นดีคนนี้ไม่ดีเราชอบแบบนั่นเราไม่ชอบแบบนี้อ่ปกติมันก็มันก็มีโซนอยู่นะฝ่ายหนึ่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งถ้าเดินไปทางโน้นคนคุ้นเคยถ้าเดินไปทางนี้ก็เห็นคนคุ้นเคยกันบ้านเดียวกันแต่เดินไปทางโน่นก็ก็ไม่อยากไปบางทีไปเห็นอ่า ความไม่ดีไม่งามก็ก็กลายเป็นความไม่ชอบพอเห็นความดีก็ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไปทำรองนั้นไปเป็นท้าวบาตก็ไปกับคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบคนทไม่อยากไปก็คิดไปทำนองนั้นเอาความชอบเอาความไม่ชอบตัดสินโอ มันก็เสียเวลาเสียเวลาไปเอาอันเดินมากําหนดจิตใจของเราเอาอันดิตมากําหนดการงานของเรามันไม่ชอบแล้วก็พ่าออกไปเวลานี้เรามาเจริญสติเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาเอาความชอบมาเอาความไม่ชอบวัตถุเสีงของผู้คนพระสองฆ์อย่าโจม เราไม่ออกเรามาเจริญสติไม่ต้องฟังไปฟังเสียงใครไม่ต้องไปดูใครมาดูตัวเรามาสร้างความรู้สึกตัวมามีความเพียรมันหลงก็แจวเองมันชอบก็แจวเองมันอยู่ที่เราเอาเราเป็นหลักเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนตัวเราสร้างตัวเราสร้างตัวเรา ไม่ฟังเสียงเงอนอื่นมันเสียเวลามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมได้อยู่ได้กินอะไรก็ไม่เป็นไรไมาได้กินก็ไม่เป็นไรนะสมัยการสมัยปฏิบัติธรรมสมัยก่อนมาได้ตักอาหารแบบเรานะจะเป็นพระราชาญาติโยมก็พระเขาฉันก่อนแม่คีเขาฉันก่อนพอเขาฉันเสร็จแล้ว เขาก็ตีละครั้งแป้งแป้งแป้งแป้งพวกเราเป็นคารวะก็ไปงงงงงแแแแเขาก็เหลือส่วนเหลือไว้ใส่ภาชนะไว้ให้เป็นคาะวดผู้ชายก็เป็นภาหนึ่งก็สองคนสามคนสี่คนคารวะฝ่ายผู้หญิงก็เป็นภาชนะหนึ่งวางไว้บนศาลาที่ฉัน พระคนี้กันหมดไอคีครนนี้กันหมดแต่มีนี่คีตนหนึ่งคอยเฝ้าดูไว้พวงหมาหัวแมวจะไปกินพอเราเดินขึ้นไปไม่คีคนนั่นก็ลงหนีไปเราก็ไปนั่งรอคนนั่นมาคนนี้มาก็ไปนั่งรอหาอาหารด้วยกันแต่มีหลายคนก็ อ, อาหารบางอย่างต้องเอาน้าเพิ่มนะพิจาร นำพีิเนี่ยนนมนยน้อยแต่ว่าจ้ำน้อยมันจะเิร์ตหรอกนะนำ้นอีกไปงานนะงานของเราทุกคนเนี่ยน ะ, อะเออก็ว่าโอ้เอกอก็มาผมมาจอยได้ล่ะข ว, วนถ่นสมบูรณ์ก็เก๋าเขาก็แก้วก็ได้อันนั้นเราจงไม่ไม่ไม่กลัวอดกลัวอย่า ก็จะมีอะไรกินไ ม, ม่กินกินก็เอาอ ไ, เอไปเหิวไปโพวกนี้อะไรกินไหนอันนี้ก็มีบางทีก็หิวเหมือนกันนะหิวต้องกินนะ้าบ่อยๆนะอคเคยหิวไหมอยู่เนี้หิวไหเราหิวบ้างไหมถ้าหิวก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดื่มน้าลงไป น, นาำการปฏิบัติธรรมอย่าไปกลัวอะไรนะใจดี ใจดีสู้เสือใจล่ายสู้เสือไม่ได้ใจดีเอาไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหงื่ว่างไม่เป็นไรนลาบากบ้างไม่เป็นไรฝนตกเปียกบ้างไม่เป็นไรอะมันก็เป็นอย่างนั้นจะ่ฝนผลตกก็เปียกนะเพราะที่อยู่ในลำบากสื่อพาใบไ ป, ไปกลางเป็นหลังคาไม่น้อยพอ พอนั่งนอนยอมยอมจะเดินสชดสาสะไม่ได้อาสายนั่งอาใยนอนฝนตกก็เปียกบ้างไม่เป็นไรแต่มาภูมใจที่หลังโอ้ความยากลําบากเลยทําให้เราเข้มแข็งเวลนอะที่มันเกิดความยากลําบากเราเคยสู้มาแล้วเปิดความเข้มแข็งไม่กลัวทุกข์ไม่กลั ว, วลําบาก คนไหนที่ไม่เคยทุกข์ไม่เคยลำบากก็อ่อนแอไปเรื่อยๆไปเราจะไปอ่อนแอความยากลำบากมันดีสู้ไปเถ อ, อะอาจจะไม่ลำบากถึงพระพุทธเจา้าด้วยซ้าไปหรอกพวกเรานะพระเจ้าไม่ปกติเลยปัญหาเกิดขึ้นตั้งเป็นพันๆลูกจงค่อยไม่สติวัดไม่วาอยู่โอเค พเรามาปักก็ได้อยู่ปกติเลยอยู่ที่มงที่บังเลยในที่นอนที่มุ่งนอนเลย mm. อ่อนแอเศร้าเลยพวกเรานะียนี่คือตัวปฏิบัติธรรมสร้างอะไรทุกอย่างในตัวเราโดยพกความรู้รสึกตัวนะ่ยเอาเป็นฐานเอาไว้ตั้งเอาไว้เป็นประเดิมเลยลงพันกันเลยเดิมพันกันเลย นะดิมพันลงไปเหมือนเขาเป็นเดิมพันการพ น, นันเราเอาสติของเราเป็นเดิมพันมาตั้งไว้ที่กายที่ใจเป็นหลักนี่ยไม่เหลือวิสทุกคนทําได้อะไรที่ไม่ใช่เรื่องกายเรื่องใจเรื่องสติเอาไว้ก่อนทีหลังทีหลังสติกับกายกับใจต้องมาก่อนอะไรทั้งหมดอนี้เป็นเดิมพันของเราชีวิตเอาอันนี้เป็นเดิมพัน อันื่นไม่เกี่ยวข้องเลยนะตัวปฏิวัติต้องเป็นอย่างนั้นอแล้วก็สงควรใช้เวลาสำหรับวันนี้กราบพระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทธ佛菩ั开堂法会当阿弥เท วากาโตภะวะตาสมุทามังนัมตะสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะตั้งโหสังฆนามา